รพระโกนทฐานะเทระพระสสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบพระโกนทฐานะเทระชื่อเดิมฐานะเรียนจบไรเพศจนย่างเข้าสู่ไวยชราได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาจึงขออุปสมบทครั้นบวชแล้วมีรูปสตรีไปด้วยจึงได้ชื่อว่าโกนทะหรือกุญทะบ้างต่อข้างหน้าชื่อ ซึ่งแปลว่าฐานะผู้ชั่วช้าดังได้สะดับมาจำเดิมตะวันที่พระเทระนั้นบวชแล้วรูปสตรีรูปหนึ่งเที่ยวไปด้วยกับพระเทระแต่พระเทระไม่เห็นรูปนั้นส่วนมหาชนเห็นเมื่อท่านแม้เที่ยวบินทบาดอยู่ภายในบ้านพวกมนุษย์ถวายพิกษาหนึ่งทัพพีแล้วพูดว่าท่านขอรับ ส่วนนี้จงเป็นของสำหรับท่านแต่ส่วนนี้สำหรับสตรีผู้สหายของท่านดังนี้แล้วก็ถวายพิกษาแม้ทัพีที่สองบูรพาก ร, รมของพระเทระได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะภิกษุสองรูปเป็นสหายกันได้เป็นผู้กลงเกลียวกันยิ่งนักดุดคลอจากคันมาดาเดียวกัน เทวดาแกล้งทําให้พระเทระทั้งสองแตกกันคิดว่าภิกษุสองรูปนี้กลมเกลียวกันดีเหลือเกินจึงทดลองทําให้แตกกันได้หรือเปล่าพวกนี้เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิเป็นมารที่เรียกว่าเทวปุตตมารดังนี้แล้วขณะที่ภิกษุรูปหนึ่งขอเข้าไปในป่าเพื่อถ่ายอุจจาระเดินกลับออกมาแล้วเทวดานั้นจําแรงเพศเป็นสตรีผู้หนึ่ง เดินตามหลังพระเทระออกมาเอามือข้างหนึ่งกล่าวมวยผมข้างหนึ่งจัดผ้านุ่งเดินตามออกมาข้างหลังพระเทเรท่านไม่เห็นหญิงนั้นแต่ภิกษุสหายผู้ยืนรออยู่ข้างหน้าแลเห็นแล้วเทวดานั้นก็อันตรธานหายไปภิกษุผู้คอยอยู่พูดกับภิกษุนั้นว่าศีลของท่านทำลายเสียแล้วเดี๋ยวนี้เอง หญิงรุ่นสาวเดินตามออกมาข้างหลังท่านทำกรรมเห็นปานนี้ท่านยังพูดปฏิเสธภิกษุนั้นปานประหนึ่งถูกสายฟ้าฟาดลงที่กระหม่อมชี้แจงอย่างไรเพื่อนภิกษุก็ไม่ฟังทั้งสองสหายก็แตกกันดุดท่อนไม้หลีกไปแล้วคือไม้ท่อนหนึ่งและมาอีกท่อนหนึ่งอาจประสบพบกันในมหาสมุทรแล้วพลัดพรากจากกันไปฉันใดการพบปะกันแห่งผู้มาเกิดก็ฉันนั้น เทวดาเห็นภิกษุรูปที่คอยนั้นไม่ปรารถนาจะทําอุโบสถร่วมกับภิกษุรูปที่ตนแกลง้งหวนคิดว่าเราทํากรรมหนักแล้วจึงเข้าไปชี้แจงว่าความทําลายแห่งศีลของพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไม่มีข้าพเจ้าทําไปเพื่อจะทดลองดูขอท่านจงทําอุโบสถร่วมกันเถิดภิกษุรูปที่คอยนั้นเมื่อเทวดาชี้แจงอยู่จึงเชื่อแล้วทําอุโบสถร่วมกัน หาได้มีจิตชิดเชื้อในพระเทระเหมือนในการก่อนไม่บุรพกกรรมของเทวดามีประมาณเท่านี้ก็ในเวลาสิ้นอายุพระเทระนั้นได้ไปบังเกิดในเทวโลกแสนสบายแต่เทวดานั้นมาบังเกิดเป็นพระโกนทัฐานะภายหลังจากหมกไม้อยู่ในเอเวจีนรกเส้นพุทธันดร1หนึ่งเมื่ออุปสมบทแล้วตั้งแต่วันที่ท่านบวช รูปสตรีนั้นก็ได้ปรากฏอย่างนั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นจึงได้ขนานนามท่านว่าโกนทัฐานะแปลว่าฐานะผู้ชั่วช้าภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวไปอยู่อย่างนั้นจึงบอกให้ขับไล่ภิกษุผู้ทุสินออกไปภิกษุทั้งหลายบอกแล้วแกเสถียรานาถบินทิกะนางวิสาขามาหาอุบาสิกาแม้ก็ได้ทูลแกพระราชา พระราชาสั่งจับภิกษุรูปนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นรูปสตรียืนอยู่ข้างหลังพระเทระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงขึ้นไปยังวิหารนั่งอยู่แล้วพระราชาไม่ทรงไหว้ทอดพระเนตรไม่เห็นสตรีทรงตรวจดูดที่ซอกประตูที่เตียงก็ไม่ได้ทรงประสบจึงถามว่าผมได้เห็นสตรีคนหนึ่งในที่นี้เข้าไปไหนเสียละ่ะ พระเถระก็ยืนยันว่าไม่เห็นให้พระเถระลุกขึ้นแล้วก็ส่งทอดพระเนตรเห็นสตรีอีกครั้นนั่งแล้วก็ไม่ทรงเห็นอีกอย่างนี้แล้วๆเล่าๆพระเถระกล่าวกับพระราชาว่าเหตุการณ์ดังนี้มหาชนก็พูดกันแต่อาตมาไม่เห็นครั้นพระราชาทรงสดับก็ตรัสกับพระเถระว่า เมื่อสังกิเลสเครื่องเศร้ามองเห็นปานนี้เที่ยวติดตามหลังท่านอยู่คนอื่นจึงไม่ถวายพิกษาแก่ท่านขอจงเข้าไปพระราชวังข้าพเจ้าจากบำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่ทรงนิมนต์แล้วสเสด็จหลีกไปภิษุทั้งหลายกล่าวติดเตียนทั้งพระเทระและพระราชาถึงแม้พระเทระก็กล่าวโต้ตอบิิษุทั้งหลายแล้วพระสัสดาทรงไตส่สวนทั้งสองฝ่าย รับสั่งให้เรียกโกณทฐานะมาแล้วทรงตรัส บ, บุรพาก ร, รมว่าภิกษุเธออาศัยกรรมลามกนี้จึงถึงระการอันแปลกแล้วบัดนี้การที่เธอถือทิฏฐิลามกเห็นปานนี้อีกไม่สมควรเธออย่ากล่าวอะไรอะไรกับภิกษุทั้งหลายอีกจงเป็นผู้ไม่มีเสียงเช่นกับกังสดานอันเขาตัดขอบปากแล้วเมื่อทำอย่างนั้นจักเป็นผู้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพาน จึงได้ส่งภาสิทธิ์พระคาถาว่าเธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้วจะพึงว่าตอบเธอเพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์อาชิยาตอบพึงถูกต้องเธอถ้าเธออาจยังตนไม่ให้หวันไหวได้ดังกังสดานที่ถูกกำจัดแล้วไซเธอนั้นย่อมเป็นผู้บรรลุรานิพานการกล่าวแข่งขันกันย่อมไม่มีแก่เธอ อธิบายว่ากังสดานที่ตัดขอบปากหมายถึงไม่มีที่แขวนยอมถูกวางทิ้งอยู่ที่พื้นแม้จะตีด้วยมือเท้าหรือด้วยท่อนไม้ยอมไม่ดังเป็นผู้ไม่หวั่นไหวหมายถึงบาเพ็ญปฏิปทาเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าบรรลุรานิพนาน ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติพลเป็นต้นแม้พระกุณฑนาทะก็ได้บรรลุพระอาราหัสต์เหาะขึ้นไปในอากาศดังนี้แหละข้อคิดสำหรับเรื่องนี้เมื่อถูกกล่าวตีเตียนแล้วไม่กล่าวตอบโต้ทรงตรัสว่าเมื่อทำอย่างนั้นจะเป็นผู้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพาน นี่เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่เคยมีเวลาไหนที่สัตว์ว่างจากการเสวยวิบากกรรมและถ้าเชื่อมั่นคงในกรรมสูตรสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นนั้นนี้เป็นผลของกรรมเก่าก็จะโยนิโสมนาสิการเป็นคิดดีทำดีพูดดีไม่กล่าวร้ายอนุปวาโทเป็นหนึ่งในคำสอนโอวาทัปติโมคเก้าข้อ ไม่ทำอกุศลทางกายวาจาใจให้ตัดกรรมไม่ต่อกรรมใหม่อีกผลย่อมเป็นวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมไม่เกิดไม่ตายอีกดังกล่าวไว้ในกุกุโรวาทสูตรจะเป็นผู้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพาน